ลำดับที่สเมื่อวันที่ย9สิสิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระคัญจิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐม พอเจริญพอไม่ทราบว่ามีคําถามตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนไหมขณะที่นั่งยังฟุ้งอยู่บ้างใช่ไหมยังมีความคิดแวบบ๊แบแบวเข้ามาอยู่บ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดานะก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับความคิดเหล่านั้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันนะจําไว้ว่าในการปฏิบัติกรรมฐานในฝ่ายของสมถะเราต้องการจิตที่สงบ อยู่กับภาวะหรืออารมณ์กรรมาฐานขณะที่ปฏิบัติไม่ว่าเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะสังเกตสภาพอะไรที่มัละเอียดมากกว่านั้นได้อย่าเพิ่งไปสนใจมันเหมือนจิตของเรานั้นเริ่มสงบมันก็จะเริ่มเห็นอาการอาการที่ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้ายมทาต่อเนื่องจิตสงบมากขึ้นไปกว่านั้น เวลาเราเอาจะเอามาใช้เราจะเห็นอาการของภาวะของร่างกายที่มันละเอียดมากกว่านั้นได้ชัดมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาฝึกฝ่ายสมถะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เพ่งไปที่อารมณ์กรรมาฐานรู้สึกแต่อารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นอย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องสนใจจะต่างจากการปฏิบัติในฝ่ายของวิปัสสนานะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นเริ่มต้นให้ฝึกสมถกรรมฐานเท่านั้นนั้นวิธีการที่อาตมาแนะนาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะละเอียดแค่ไหนเป็นอะไรก็ตามนั่งนั้นรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมีแสงสีปรากฏขึ้นไม่ต้องผสนใจกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานเท่านั้นแล้วก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปเรื่อย เราจะต้องเป็นผู้บังคับจิตใจของเราข้อควรระวังก็คือว่ามีบางคนนั่งแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนมันเป็นรวมกับอะไรสักอย่างหนึ่งและปรากฏว่าอารมณ์กรรมาฐานของเราที่กำหนดนั้นเรากลับไม่รู้สึกมันลอยมันก็ไปรวมหรือมันนิ่งแล้วมันไม่ไม่รับรู้อะไรอาการอย่างนั้นเป็นอาการที่ยังไม่ใช่ในที่นี้ณนะตอนนี้ เพื่ออย่าให้เกิดอ า, าการอย่างนั้นเหมือนกับเข้าไปรวมแล้วก็ไม่คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ต้องรู้สึกและรู้สึกแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทิ้งจากอารมณ์กรรมฐานสําหรับการฝึกในขั้นเริ่มต้นนะเริ่มต้นใหม่ตอนตอนนี้นะให้ฝึกแล้วก็ต้องรู้สึกแต่อารมณ์กรรมฐานเท่านั้นและสังเกตแต่อารมณ์กรรมฐานเท่านั้นนะเราจะทําอย่างนี้ไปให้ต่อเ น, นื่องเลย จะมีเวลาเยอะนิดหนึ่งนะจะมีเวลาเยอะันิดหนึ่งคราวหน้าหนึ่งชั่วโมงแรกนะโยมอาจจะเลือกได้เลยจะเดินก็ได้จะยืนก็ได้อย่างละสิบห้านาทีทำอย่างนี้ไปประมาณสักสองอาทิตย์อาตมาจะค่อยเพิ่มเวลาให้กับโยมจากสิบห้าเป็นยี่สิบจากยี่สิบเป็นครึ่งชั่วโมงก็คือเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งสักครึ่งชั่วโมงให้ต่อเนื่องแล้วก็จากนั้นค่อยฟังทำต่อ เพราะฉะนั้นให้โยมกลับไปฝึกที่บ้านด้วยถ้าเราไม่ได้ฝึกทุกวันนะพอถึงครึ่งชั่วโมงแล้วมานั่งจะรู้สึกทรมานมากนะที่ทรมานมากนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกจิตใจเรายังสงบไม่พอนะปกติในคราวก่อนๆ น, นั้นชั่วโมงแรกอาตมาก็จะปล่อยโยมเลยนะก็พอปล่อยอย่างนี้ก็มีโยมบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่เพราะในช่วงนี้ก็คิดว่าเขาคงจะนั่งปฏิบัติไปพร้อมกับโยมด้วย จะได้อยู่มันด้วยกันเลยนะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติครั้นี้ก็รู้ก็ก็จะได้ทราบเลยนะก็พยายามมาประมาณสักสิบโมงนะสิบโมงามาเตรียมตัวก่อนประมาณสัก9 4้ามงสิบห้านะเริ่มกันจริงๆก็คือประมาณสักสิบโมงล้วก็ปฏิบัติกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสิบเ็ดโมงก็ฟังทำต่อ แล้วก็จะได้คุยในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องของสีเป็นเรื่องของอะไรเพราะว่าอาตมาเห็นว่าถ้าเกิดคุยอย่างเดียวเนี่ยในช่วงแร ก, แรกเนี่ยมันจะยาวเลยนะบางทีสองสาเดือนกว่าจะได้เริ่มปฏิบัติกันก็ให้เริ่มรูปแบบมันก่อนเลยก็แล้วกันรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวก็ค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งตอนที่คุยกันในช่วงช่วงชั่วโมงหลังอ่าเปิดโอกาสให้ถามก่อนเมื่อกี้เท่าที่ปฏิบัติกันประมาณครึ่งชั่วโมง มีติดตัญหาอะไรสงสัยตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนไหม่เอ่ยมดเยอะอันนี้คงจะลำบากหน่อยน ะ, จะเจริญพรช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนนะก็จะเป็นธรรมดาที่พวกมดพวกสัตว์ตรงนี้จะเยอะนิดหนึ่งเขาหลบน้นะํานะเขาหลบน้ําเจริญพรกนะ็พยายามแผม่เมตตาให้เขาซะนพยายามแผ่เมตตาให้เขาซะอามีคําถามอย่างอื่นไม่เอ่ยไม่มีคําถามอย่างอื่นนะ ถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะอาบอกหรือว่าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะในเรื่องของการปฏิบัตนะิในการปฏิบัตินั้นขอให้โยมสังเกตนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติโนะยมจะสังเกตเห็นว่าจิตมันจะสัศใสยเยอะภาษาธรรมะเราเรียกว่าขณะนั้นจิตหยาบนะจิตยังหยาบจิตยังไม่ละเอียด ขณะที่โยมเริ่มกำหนดอารมณ์กรรมฐานสี่อย่างที่อาตมาบอกนะจะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปร่งางก็ตามเกรงตึงหย่อนการเคลื่อนไหวหรือลมหายใจที่พัดเข้าออกอันนี้เราเรียกว่าเริ่มกำหนดอารมณ์กรรมฐานในขณะที่เริ่มกำหนดอารมณ์กรรมฐานอย่างนี้ภาษาธรรมะจะมีชื่อเรียกเราเรียกว่าอยู่ในขั้นบริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนาคําว่าบริกรรมในที่นี้เวลาคนไทยนึกก็นึกถึงทําปรับอะไรขมุบขมิบหรือท่องมนบริกรรมในที่นี้หมายถึงขั้นของการเริ่มต้นขั้นของการที่กําลังพยายามกําหนดนะภาวนานั้นแปลว่าการพัฒนานะส่วนอารมณ์กรรมฐานที่ยมพยายามนึกหรือพยายามกําหนดยมจะรู้สึกถึงอารมณ์กรรมฐานนั้นๆใช่ไหมแตม่มันยังไม่ชัดใช่ไหมเราต้องคอยนึกแล้วก็คอยกําหนดถึงอารมณ์กรรมฐาน อ ร, รมกรรมฐานที่ยังปรากฏไม่ชัดเป็นวัตถุที่เราใช้สังเกตนั้นภาษาธรรมะเราเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตในที่นี้หมายถึงอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่ใช้สังเกตคือวัตถุที่เราใช้บริกรรมนั่นเองถ้าใครสังเกตภาวะที่เป็นรูปร่างกลุ่มก้อนภาวะรูปร่างกลุ่มก้อนนั้นคือบริกรรมนิมิตของเราคือวัตถุที่เราจะใช้ในการกาหนด ในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าอยู่ในขั้นบริกรรมภาวนาในตอนเริ่มต้นพอเราเริ่มบริกรรมจิตจะเริ่มละเอียดขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความคิดที่มันคิดมันฟุ้งออกไปมันคิดออกไปในขณะที่อยู่ในภาวะปกติเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างที่อาตมาได้เล่าให้ฟังไปคาที่แล้วก็คือแรกๆมันจะรู้สึกว่าคิดเยอะ หรือว่าคิดไม่เยอะมันอาจจะคิดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่มันจะอยู่กับความคิดนั้นนานออกไปแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัวนี่เป็นธรรมดาธรรมชาตินะไม่ได้เพิ่งไปอึดอัดนะนั่นเป็นธรรมชาติพอมันเผลอนึกไปคราวนี้ก็ลอยไปกับความคิดละรู้ตัวอีกทีมือทีหายไปสองนาทีสามนาทีากว่าจะรู้สึกอีกทีหนึ่งให้ทําไปไเรื่อยๆทําไปได้สักระยะหนึ่งเราจะเริ่มตามทันสติเริ่มตามทันคราวนี้เราจะรู้สึกว่ามันคิดบ่อย แต่อยู่ไม่นานตรงนั้นก็ยังเพิ่งไปอึดอัดนั่นแสดงว่าเราก้าวหน้าสติเราเริ่มจับทันแล้วมันจึงมีอาการเช่นนั้นออกไปปุ๊บแด้แป๊บเดียวเราเริ่มรู้สึกตัวล้ะพอเผลอออกปุ๊บเราเริ่มรู้สึกตัวทำได้ดีมากขึ้นไปกว่านั้นอาการที่คิดบ่อยอย่างนั้นมันจะเริ่มค่อยๆหายไปคราวนี้จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานขันนี้ยังเป็นขั้นบริกรรมภาวนาอยู่ พออยู่กับอารมณ์กรรมฐานแบบนี้ได้นานอย่าเพิ่งเลิกทําต่อย่อมทําต่อไปยมจะรู้สึกว่าทําได้ดีอันนี้ไม่ใช่ว่าพนั่งปุ๊บจะให้รู้สึกว่าทําได้ดีเกิดขึ้นได้เลยไม่ใช่นะมันต้องทําไปเรื่อย เ, อยเมื่อเราทำํำเกิดความรู้สึกว่ามันทําได้ดีเราจะเกิดฉันทะขึ้นนะเกิดฉันทะเกิดความอยากทํารู้สึกว่ามันทําได้ดี แม้เกิดอาการอย่างนี้ก็ให้ทําต่อถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องนะบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะกว่าจะเกิดอาการอย่างนี้นะทําต่อไปไเรื่อยๆเมื่อทําต่อไปไเรื่อยๆบางทีมันจะเกิดความร่าดเริงใจเกิดความสุขเกิดความยินดีในการปฏิบัตินี่แสดงว่าจิตของเราเริ่มสงบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้ว เมื่อจิตสงบถึงขั้นนี้บางคนจะสงบลงไปมากกว่านั้นคราวนี้อารมณ์กรรมฐานจะปรากฏชัดมากภาวะต่างๆมันจะเห็นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรากฏชัดไปตลอดในขั้นนี้ถ้าเป็นพวกของการฝึกกสินเขาเรียกว่านิมิตติดตาท่าเรียกว่าอุกหะนิมิตก็หมายถึงสิ่งที่เรากําหนดนั้นน่ะมันนั่งปุ๊บมันจับได้เลยมันจับได้เลยมันนึกขึ้นมาได้เลย อันนี้เรียกว่าชํานาญใช่ไหมแรกๆนี่ต้องพอยมานั่งสังเกตยังรู้สึกไม่ชัดต่อไปมันจะหมายแล้วก็จําไว้ได้ชัดหมายแล้วก็จําไว้ได้ดีเมื่อหมายจําไว้ได้ดีพอเริ่มต้นเนี่ยพอมานั่งเสร็จปุ๊บเราเริ่มกําหนดได้เลยแล้วมันชัดเจนไปตลอดทําได้ดีมากขึ้นไปกว่านั้นจิตจะคลอเคลเคียร์อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นถึงขั้นนี้ สมาธิจะเปลี่ยนขึ้นมาอีกเป็นอีกขั้นหนึ่งตั้งแต่เริ่มบริกรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าอุกขณิมิตรเราจะเรียกเป็เป็นสมาธิขั้นคณิกะสมาธิหรือสมาธิชั่วขณะมันมีหลุดออกไปบ้างไม่ใช่คลอดเคลียร์หรือไม่ได้แน่ไปกับอารมณ์กรรมาฐานเลยเราเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะ อยู่ได้สักระยะหนึ่งหลุดออกไปกลับมาดึงออกมาอยู่สักระยะหนึ่งหลุดออกไปนมันยังไม่ต่อเนอื่องยาวไปตลอด <c oughs> เราจึงเรียกว่าขั้กะสมาธิแต่ถ้าทําได้ดีมากกว่านั้นจิตจะแนบถึงขั้นนี้เรื่องอื่นแทบไม่รับรู้เสียงเข้ามาได้ยินแต่ว่าไม่ได้ฟัง <c oughs> คือไม่รู้เรื่อง เสียงอะไรอันนี้เราอาจจะแยกของไม่ได้รู้แต่ว่ามีเสียงเข้ามาเท่านั้นเองแต่ว่าจิตมันจะอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานไปตลอดในขั้นนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิอุปจารสมา ธ, นะามาธิคือสมาธิขั้นจวนเจียนเจแนลแน่ใครทําได้ถึงขั้นนี้ถือว่าจิตละเอียดพอนะทําได้ขั้นนี้ไม่ต้องถึงกับขั้นฌานะ่ทําได้ถึงขั้นนี้ถือว่าละเอียดพอ ทำให้ต่อเนื่องสมาธิที่เราจะมาใช้ในขั้นวิปัสสนาจะเป็นสมาธิในขั้นคณิกะต่ออุปจาระอันนี้จะเป็นสมาธิในขั้นที่เหมาะในการทำวิปัสสนามากที่สุดแต่ถ้านั่งแล้วมันยังคิดนู่นคิดนี่อยู่อาตมายังไม่แนะนำให้โยมทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นในขั้นเข้าสู่อุปจารสมาธินั้น โยมไม่สามารถสังเกตความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมันจะแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะมันจะคลอเคลียร์ไปกับอารมณ์กรรมฐานมันรับรู้แต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่ไอมรับรู้ขั้นนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิการภาวนาในขั้นนี้ท่านจะเรียกว่าอุปจารภาวนานะเราเรียกว่าอุปจารภาวนา ส่วนนิมิตคือสิ่งที่กำหนดกาหนดหมายในขั้นนี้ถ้าคนกำหนดพวกศิลจะสามารถย่อขยายภาพที่ตนเองกาหนดได้เลยคนที่กำหนดอนาปนสติเราสามารถย่อขยายความรู้สึกในจุด ท, ที่เรากำหนดได้แต่ปกติท่านไม่ให้ทาเพราะว่ามันจะไม่มีประโยชน์ในแง่ของอนาปนสตินะ ส่วนผู้ที่ดูการเคลื่อนไหวหรือรูปร่างจะรู้สึกถึงเพียงแค่รูปร่างที่มันกําลังแปลเปลี่ยนและความเคลื่อนไหวหรืออาการเกรงตึงหย่อนที่กําลังเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นแทบไม่รับรู้ละนะขั้นนี้เราเรียกว่าอุปจารภาวนาพวกที่ฝึกกสินนั้นเขาจะยอ่อขยายกสินของเขาได้เราจึงเรียกนิมิตในขั้นนี้ว่าปฏิภาคนิมินะตปฏิภาคนิมิต มันเมื่อกี้มีบริกรรมนิมิตอุกขะห์นิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตแลลวนะเป็นสามนิมิตส่วนภาวนาตอนนี้เป็นสองใช่ไหมมีบริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาขั้นนี้เรียกอุปจาระภาวนาถึงขั้นนี้กิเลสจะถูกข่มหมดจะไว้ว่าแค่ถูกข่มเท่านั้นนะเหมือนหินทับหญ้าความ่วงนอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดอาการฟุ้งไม่เกิด ไม่คิดถึงเรื่องอื่นด้วยใส่ใจและรู้สึกแต่อารมณ์กรรมฐานเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นถึงขั้นนี้มีวิธีการมากมายเลยนะที่ท่านบอกว่าต้องรักษาอุปจารสมาธินี้ให้ดีถ้ารักษาไว้ได้ดีจะพัฒนาต่อไปได้ถึงสมาธิอีกขั้นหนึ่งเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิถึงขั้นนี้จิตแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่รับรู้เรื่องอื่นแล้ว จิตแนบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือสมาธิแนบแน่นแน่วแ น, แน่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวก็คืออารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นการพัฒนาในขั้นนี้เราจะเรียกว่าอัปปนาภาวนาอัปปนาภาวนานิมิตนั้นไม่มีกา ร, การย่อขยายขั้นอัปปนาสมาธินี้ เราจะเรียกว่าเราจะแบ่งเป็นระดับต่างๆเรียกว่าฌานนะช อ, ชอกระเชิญสะกดนะเราเรียกว่าฌานเพราะฉะนั้นฌานนั้นไม่ใช่ความรู้นะหมายถึงคุณภาพสมถะภา พ, ภาพจิตและความสงบของจิตอันนี้ให้เห็นตลอดตลอดสายก่อนนะตลอดสายถึงขั้นฌานฌานนี้ก็จะแบ่งเป็นระดับต่างๆเดี๋ยวเอาไว้ไปรีในร า, ายละเอียดต่ออีกทีหนึ่งพันโยมเริ่ม ปฏิบัตินั้นมีนิมิตหรื อ, อยังเอ่ยมีแล้วนะสิ่งที่อาตมาสอนโยมนั่นแหละคือนิมิตนิมิตในที่นี้คือสิ่งที่กําหนดหมายหรือสิ่งที่เราใช้กําหนดนะคือวัตถุที่เราใช้กําหนดเป็นอารมณ์กรรมาฐานนั่นแหละเราเรียกว่านิมิตนะมันไม่ใช่เป็นภาพไม่จําเป็นต้องเป็นภาพอย่างนั้นเข้าใจนะ ภาวะที่เป็นกลุ่มกล้องนั่นแหละบริกรรมนิมิตของโยมนะอาการเกรงตึงหย่อนนั่นแหละบริกรรมนิมิตของโยมความเคลื่อนไหวหรือลมหายใจเข้าออกที่กระทบนั่นแหละบริกรรมนิมิตของโยมเข้าใจนะเพียงแต่ว่านิมิตของโยมมันยังไม่ชัดนมันหลุดเรื่อยใช่ไหมสิ่งที่กําหนดนั้นมันหลุดเรื่อยมันยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นกำหนดให้ชัดนะกําหนดให้ชัด เรนั้นเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันมีนิมิตและนิมิตในที่นี้หมายถึงอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่ใช้กาหนดนะแต่นิมิตอีกแบบหนึ่งก็คือที่เป็นภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับโยมท่านั้นเองเข้าใจนะอันนี้เราจะได้เข้าใจว่าเวลาที่เราไปอ่านในพระไตรปิฎกเวลาที่เราไปอ่านในหนังสือหรือเป็นคำพีเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องนี้เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคืออาการอย่างนี้นี่เองนะพั้นคําว่านิมิตนั่นก็คือตัวอ็อบเจกต์นั่นเองแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นไหนเอ่ย ลุดน้อยอยู่นานหรือว่าหลุดเห็นความฟุ้งมากแต่อยู่ไม่นานอยู่ถึงขั้นไหนอันนี้โยมต้องลองพิจารณาตัวเราเองดูนะถ้ามันออกไปปุ๊บแล้วมันอยู่นานไม่ค่อยรู้สึกตัวบางทีเรานั่งสิบห้านาทีเนี้ยหรือว่าเดินสิบห้านาทีเราอาจจะนับได้หลุดออกไปประมาณห้าหกครั้งแต่ห้าหกครั้งของเราเนี่ยมันอยู่นานนะอันนี้ก็ ถือว่าพัฒนาหรื อ, อยังพัฒนาแล้วนะพัฒนากว่าตอนที่โยมยังไม่กําหนดซึ่งโยมไม่รู้เลยว่ามันคิดแต่มันยังมีทางที่ต้องพัฒนาต่อขึ้นไปกว่านั้นอีกเข้าใจนะเพราะนเวลาทํากรรมฐานอย่าไปเร่งนะอย่าไปเร่งอย่าอยากได้นะตมาได้เคยเน้นย้ำไว้แล้วได้ฟังปุ๊บใหมมันจะเอาให้ได้อยากได้อย่างนั้นจังอยากได้อย่างนั้นจังโยมอยากได้เมื่อไหร่โยมกลับจะไม่ได้ แต่ถ้าโยมอยากทำทำไปไเรื่อยๆแล้วยมจะได้เองเหมือนคนสร้างตึกอะ่ะอยากได้ตึกแต่ไม่ลงมือก่ออิฐนะไม่มีทางจะได้ตึกใช่ไหมไม่ยังไม่มีทางจะได้บ้านเอาแล้วเรารูล้ล ว, ว่าการสร้างตึกมันต้องก่ออิฐโยมกค่อยก่อไปทีละก้อนทีละก้อนเดี๋ยว บ, บ้านมันเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่เกิดเพราะโยมอยากแต่เกิดเพราะว่าเราทานะมันเน้นย้ำเอาไว้เลยนะ อย่าอยากได้เราไปได้ยินว่าภาวะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทิ้งมันไปเลยให้รู้ไว้เฉยๆเอาไว้มันเกิดขึ้นเราจะได้เอาไว้สังเกตว่าอ๋อมันคืออาการอย่างนี้นี่เอ ง, เองตอนนั้นที่ท่านเล่าให้เราฟังแต่หน้าที่ของเราคือสังเกตและทําไปได้เรื่อยๆเหตุปัจจัยพร้อมภาวะเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมากับเราเองไม่ใช่เกิดเพราะาเรานึกอยากได้แล้วมันจะเกิดขึ้นมาตามใจของเรานให้ระวังข้อนี้ให้ดีนะเพราะว่า ในสมัยปัจจุบันนี้เรามักจะมีอาการอยากได้แต่ไม่อยากทํำกันเยอะทําหน้าที่การงานก็อยากให้งานมันเสร็จอยากให้งานมันได้แบบนั้นแต่เราลืมสังเกตลืมมองว่าในแต่ละขั้นตอนที่เราทํานั้นมันก็มีความสําเร็จอยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นความสําเร็จเล็กๆที่จะค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองถ้าเรามีความสุขอยู่กับการทําสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไปทีละขั้นทีละตอนนะด้วยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับเราเอง แต่ถ้าเรามองไปที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวโดยที่ไม่มามองความสําเร็จเล็กๆไม่ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะอ่านหนังสือยังต้องอ่านไปทีละบรรทัดเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่านทีเดียวแล้วมันจะจบทั้งเล่มฉนันในก็ฉันนั้นนะะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำให้เลยเพราะว่าสำหรับโยมปฏิบัติใหม่เราจะมีอาการเร่งพอฟังมาแล้วอ่านมาแล้วมันได้ภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะอยากได้ขึ้นมาทำและพยายามที่จะ นึกให้เกิดภาวะอย่างนั้นขึ้นมาให้ได้นึกอย่างนั้นทำไม่ได้นะนึกอย่างนั้นทำไม่ได้นะแต่ถ้าโยมค่อยๆทำไปเรื่อยใจเย็นๆทำด้วยความสุขภาวะเช่นนั้นมันจะเกิดขึ้นมากับเราเองนั้นฝากโยมว่าให้ไปปฏิบัติเป็นประจำนะค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนนะเดี๋ยวตึกที่สวยงามมันจะเกิดขึ้นมากับโยมเองโดยที่บางทีโยมเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาแล้วหรือ อ้าวมีคำถามอย่างอื่นไม่เอ่ยไม่มีคำถามอย่างอื่นนะถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นฝากไปเป็นการบ้านนะฝากไปเป็นการบ้านเพราะว่าคราวหน้ามาอาจจะให้เริ่มปฏิบัติอาตมาคงจะไม่อธิบายเรื่องของการปฏิบัติคราวหน้าจะเริ่มเข้าในเรื่องของเนื้อหาระนะต่อจากในเรื่องของมรรคมีองค์แปดคราวหน้านั้นจะเข้าในเรื่องของเนื้อหาแต่หนึ่งชั่วโมงแรกจะให้ยงปฏิบัติอยู่ข้างล่างตรงนี้เดินหรือว่านั่ง คราวนี้ขราวหน้าไม่ใช่พอบ อ, บอกเริ่มปฏิบัติแล้วมาตอน11โมงนะ <c oughs> มา10โมงก็คือ10โมงเพราะฉะนั้นช่วงแรกอาตมาจะมีการบอกเกรดเล็กๆน้อยๆเรื่องของการปฏิบัติให้แล้วอาจจะให้โยมลองทดลองแล้วโยมลองทานะ <c oughs> ถ้าไม่มาช่วงแรกอันนี้โยมก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้นะ <c oughs> สอนผู้มาใหม่ตอนนี้คิดว่าจะยังน ะ, จะเจริญทอน คิดว่าจะอย่างสําหรับผู้ที่มาใหม่แต่ว่าอาจจะแยกสอนเป็นรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะก็ดูนิสติงว่ามีจํานวนผู้มาใหม่มากหรือน้อยแค่ไหนนะก็ถ้ามีมาใหม่ในพอสมควรก็อาจจะเริ่มแยกสอนนะเริ่มแยกสอนแต่ว่ายังไงก็จะแยกสอนก็คงจะอยู่แถวๆนี้แหละนะจะได้อยู่กับโยมด้วยนะโยมจะได้ปฏิบัติเออเห็นมีพระอาจารย์อยู่ด้วยจะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติเนาะ หัวรอดนี่หมายถึงอะไรเอ่ยเจรินพรนะอ้าวนะก็อยู่เป็นกำลังใจให้แกโยมนะเจริณพรนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ฝากโยมไปปฏิบัติกันด้วยนะคราวหน้าก็หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงทวนนะอย่างละประมาณสิบห้านาทีวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะอ้าวขออนุโมทนา